คืนก่อนพระอินเดียเข้ามาคุยกันมาคุยว่าเนี่ยามาขอจีวรพระพระรูปหนึ่งจะมาบวชชาวอินเดียห้าร้อยกว่าคนนะเนี่อ า, าบวชบวชได้บวชแล้วจะเรียนอะไรสอนอะไรฟังอะไรฉันอะไรอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรเนี่ยนะมันก็คือไม่มีไม่มีใครไปไปช่วยเหลือไปอะไรเลยมันเราก็เห็นแล้วว่าทํำยังไงแม้กระทั่งมีศรัทธาแล้วใครจะแนะนําแล้วใครจะพา หาผ้าให้ใช้ใไม่ยากแต่หาอาหารเลี้ยงตลอดไปก็ยากาอาหารเลี้ยงตลอดชีวิตนะสมมติว่าปริมาณห้าหกเจ็ดร้อคนจะเลี้ยงยังไงตลอดชีวิตนะหาผ้าให้นุ่งชั่วคราวชุดหนึ่งร ว, ร, ว ร, วรวดเดียวก็ไม่ยากและที่อยู่อาศัยล่ะให้มันบังแดดบับงฝนบังลมปริมาณห้าร้อยคนเนี่ยมันต้องกี่หลังนะต้องจะอยู่แอาอัดยัดเยียดไปอยู่ทาอะไรฉันจึงบอกว่า ไม่เห็นวิแววว่าจะเจริญโงกเงยขึ้นมาเลยได้อย่างไรนอกจากรักษาเครื่องแบบไว้เท่านั้นเองเนี่ยนะสร้างเครื่องแบบสร้างรูปแบบสร้างอะไรไว้แต่สาระแห่งคําสอนไม่เหลือมันฟังท่านพูดแล้วก็เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนี่ยนะก็ได้นั่งฟังทำตาปลีบเปลีบไปน ะ, นะถ้าถามว่าท่านจะทํายังไงก็นเนี่ยก็ทํานั่งทําตาปลีบเปลบนี่แหละก็ทําอย่างนี้แหละฉลาดเท่านี้แหละไม่รู้จะไปทําอย่างอื่นว่าอย่างไรเนี่ยนะก็เห็นแล้วเนี่ย มันจากพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดไปเนี่ยอย่างตรงเนี้ยว่างเว้นไปห้าสิบเก้าถึงหกสิบกับเนี่ยนะไม่มีพุทธศาสนาเลยนี่ก็ถือว่าไม่ห่างไม่นานนะถ้าเทียบกับแบบจากพระพุทธเจ้าทีปังกรถึงพระพุทธเจ้าโกนธัญญาหนึ่งอสงไขยพระพุทธเจ้าโกนธัญญาถึงมังคละก็หนึ่งอสงไขในะนะจากพระพุทธเจ้าก่อนอโนมาทศีมาก็หนึ่งอสงไขาจากอโนมาทศีมหาปทุมมุตระก็หนึ่งอสงไขยมันห่างมาก มันแค่60กลกับนี้ไม่นานเนี่ยนะห้ากลับไม่นานมันก็ผ่านไปโดยไร้ศาสนาผ่านไปโดยไร้คำสอนผ่านไปโดยไม่มีข้อมูลอริยสัจอะไรเลยไม่ให้ได้ยินอริยสัจอะไรเลยทั้งๆที่ความจริงก็มีอยู่แต่ว่าพูดไม่ได้เนี่ยนะแล้วก็ถึงพูดได้ก็ไม่สนใจว่าอยากจะรู้ความจริงของสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ไม่ได้สังสมบูรณ์มาเนี่ยนะไม่ชอบฟังอะไรก็ได้ที่มันเป็นความจริง ไม่ชอบฟังความจริงเนี่ยน ะ, ะความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์เนี่ยถามว่าไปพูดตอนมันเกิดได้ไหมวันเกิดถ้าสมมุติถ้าเกิดใครสมมุติทางขามาจัดงานวันเกิดนะช่วยมาพูดหมองนั้นนะนะมาแสดงความเสียใจยด้วยนะกับท่านแสดงความกรุณานะที่ท่านมาเกิดมามาทุกข์เนี่ยนะเพื่อจะได้แก่มาทุกข์เนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยนะท่านถ้ามาอวยพรก็ต้องมาบอกอยังไงขอให้ท่านเห็นธรรมเป็นที่พ้นจากเกิดแก่เจ็บตายนะ วันนี้ก็คล้องครบรอบวันมาทุกเนี่ยนะคล้องฉลองครบรอบวันทุกวันชาติชรามรณาโศกะปริเทวะทุกขทโท ม, มานัตอุปายาตขอให้ตั้งอกตั้งใจศึกษาอริยศาสตร์ให้พ้นทุกข์นะเนี่นะต้องมาให้อวยชัยให้พรแบบนี้จริงกระถูกัจะเพลื่มมากเลยนะเออชัยเนี่ยนะต้องให้พรตามคําสอนแล้วก็หันยากนะที่จะมีพระพุทธศาสนาขึ้นแต่ละองค์ นี่ก็ผ่านไปอีกเท่าไหร่91กับมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสององค์เนี่ยนะกับที่3าที่แล้วเนี่ยนะมีเกิดสององค์นะคือพระพุทธเจ้าสิขีกับพระพุทธเจ้าเวสภูพระพุทธเจ้าสิขีมีความหมายว่าผู้ดุดไฟอันสมด้วยไม้แก่นเป็นไม้แก่นชนิดที่แห้งสนิทเนี่ยนะเอาไม้แก่นแห้งสนิทมาเนี่ยมาสมให้เป็นไฟ แล้วก็ราดด้วยเนยใสยมากๆโดยที่ไม่มีควันะนะครเรียกว่าเหมือนกับก็คือประกาศว่าเหมือนสีทองอะนะเป็นลักษณะเป็นเช่นกับทองและพระพุทธเจ้า ว, วิเวสภูพระพุทธเจ้าองค์แรกในกลับนั้นเนี่ยนะก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิกขีพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นบำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายแล้วก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยนะคือตั้งคําถามว่าทําไม พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยต้องต้องเป็นแบบพระเวสสันดรใช่ไหมทำไมต้องเป็นเช่นกับพระเวสสันดรก็เพราะว่าะจะต้องอาศัยทานที่ให้เช่นกับพระเวสสันดร น, นี่แหละที่จะทําให้ชนะมารอ้างอ้างการให้ทานอ้างการรักษาศีลอ้างให้ทานแล้วแผ่นดินไว้แล้วก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไว้นั่นแหละเป็นเหตุให้พระองค์ชนะมารไม่อย่างนั้นเนี่ยนะโอ้ยใครจะไปสอสู้อํานาจมารได้ มานั้นไม่ใช่มารระดับธรรมดามารที่เรียกว่าสวรรค์ชัน้นปารณิมมิตาวสวัตีเนี่ยเป็นผู้มาราผู้มีอํานาจมากที่สุดคือมารเป็นมารมา น, นี่ถามว่าใหญ่ขนาดใหญ่ขนาดสิงพรมได้ก็แล้วกันเข้าสิงพรมได้เลยนะแทรกพรมให้พรมพูดอย่างนี้กับพระพุทธเจ้านะแทรกพรมได้อะนะนั้นพญามา น, นั้นไม่ใช่ว่าเขาอํานาจเขาครุมหมดนะอำนาจเขายิ่งใหญ่จริงๆถามว่าทําไมก็คืออํานาจเนี่ยใครก็เป็นสิ่งเทธ สแสวงหาเพราะฉะนั้นใครที่จะหลุดจากอํานาจของตัวนี้ถามว่าชอบไหมถามว่าอํานาจนี้คือสิ่งที่ศัตว์ทั้งหลายหิยหิวมากเพราะนั้นคนที่ทําบุญเพื่อเป็นมานั้นจึงไม่ใช่น้อยคําว่ามานี่ก็แปลว่าห้ามคนที่ปฏิบัติเพื่อตราสรูุเป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นบุญประเภทในวั ต, ตะนะั้นเขาส่งเสริมเขาเชียร์เต็มที่แต่ถ้าเป็นกุศลประเภทนําออกจากวัฏฏะเขาไม่เอาด้วยเพราะเขามีอัธยาสาัยฝักใยในการ อยู่ในวัตตะเขเลยเรียกว่าเป็นพญามันเพราะเขาเขาโปรดปรานแบบนั้นมากหลังจากที่พระองค์ น, นะเกิดในดุสิตก็อยู่ครบอายุขของสวรรค์ชั้นดุสิตก็เทวดามาอ้อนวอนอราชนาเชื่อเชิญให้มาถือปฏิสนธิในพระครันของพระนางประภาวดีเทวีเนี่ยนะเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพอพระองค์นั้นอยู่ในคันครบเทื่อนอพระนางประภาวดีนั้นก็ เป็นผู้ที่มีรัศมีงามเหมือนรูปทองสีแดงก็คือเป็นผู้ที่สวยมากนะเป็นอัครเหสีของพระเจ้าอารุณผู้มีพระคุณอย่างยิ่งกรุงอรุณวดดีพระนางนั้นมีแต่ทาแต่กุศลเนี่ยนะก็คือแม่กบอกแม่พระพุทธเจ้าผู้มีบุญแม่ก็ต้องเป็นผู้มีบุญแม่ก็เป็นผู้ที่ทำแต่บุญพระองค์อยู่ในพระคันสิเดือนผ่านไปก็ประสูติจากพระคันของพระชนนี พระพุทธบิดมารดาเนี่ยณ น, นิสพะราชุทยานโหนผู้ทํานายนิมิตวันขนานพระนามเฉลิมพระนามของพระองค์ก็เฉลิมพระนามขานพระนามว่าสิขีเหตุที่เหตุที่เรียกว่าสิขีก็เพราะว่าพระยอดกรอบพระพักเนี่ยนะพุ่งสูงขึ้นดุดยอดพระอุณหิศ ก็คือกรอบกรอบหน้าเนี่ยกรอบหน้างามก็เลยเรียกว่าสิขีพระองค์ครองคารวาตวิสัยอยู่เจ0 0ปีมีปร า, าสาทสามหลังชื่อว่าสุจันสุจันทกะสิริคิริยสะและก็นาริวสภะพระองค์นั้นมีสนมกำนันคอยดูแลประมาณ 24,000 นางมีพระนางศัพะกามาเทวีเป็นประมุขก็ครองคารวัตอยู่ดปีใช่เมื่อมีพระอรสพระนามว่าอาตุระ อัตุระแปลว่าผู้ที่ไม่มีใครช่างได้ไม่มีผู้ใดเทียบได้นนะเป็นเป็นโอรสของพนางสัพพกามีสมภพก็คือคลอดอ น, นะประสูติออกมาพระโพธิสัตว์ก็เห็นนิมิตสี่ประการจริงก็ถ้าจถ้าเทวทูตเนี่ยนะเทวทูตนิมิตก็คือหนึ่งปกตินะเทวทูตมี5ใช่มเด็กเด็กที่คลอดใหม่ๆสอง สองคน อ, อคนแก่สามนักโทษสี่คนป่วยหคนตายแล้วก็เทวทูตห้าแต่ตรงนี้เนี่ยเน้นพิเศษก็คือคนแก่คนป่วยคนตายแล้วก็เห็นใครนักบวชเนี่ยนะพอวันนั้นก็เห็นนิมิตทั้งสี่พระองค์ก็ขึ้นช้างต้นก็คือช้างเป็นที่ช้างประจำอ่ะนะเสร็จออกมหาพิเนศกรมด้วยยานช้างพระองค์พนวดพอหลังจากที่พระองค์ พิเ น, เนสกรมออกบวชอย่างนี้แล้วก็มีบุรุษ 1,37,000 พากันบวชตามเสด็จพระองค์อันบันปชิตเหล่านั้นเวทล้อมแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่8เดือนอ น, นะรวบรวมโพีิปัจฉยธรรมรวบรวมคุณธรรมเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่8เดือนด้วยกันในวันวิสาขบุรมีพระองค์ก็ละการคลุกคลีด้วยหมูเสวยข้าวมัทุ ป, ปายาที่ที่ดาปิยเะเศรษฐีณสุทัศนนิคม ถวายแล้วก็ยับยั้งพักกลางวันณป่าตะเคียนหนุ่มพระองค์รับญาคาในเรือญาติญาปญากุษะเนี่ยนะญาคาแปดกรรมที่ดาบทีชื่อว่าอนมทติสีถวายเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังต้นโรพพฤกษชื่อว่าต้นบุนฑริกะคือมะม่วงป่าเล่ากันมาว่าต้นบุนฑริกะมะม่วงป่าที่เป็นที่ให้พระองค์ตรัสรู้นั้นนะ่ะมีขนาดเท่ากับต้นแคฝอย นะต้นแคฝอยวันนั้นนั่นเองมะม่วงป่าต้นนั้นสูงชะลูดลำต้นขนาด5 0ศอกนะกิ่งก็ขนาดห0าอก ก, ก็ร่มเงาดีมากเลยนะดารดาดด้วยดอกหอมดอกก็หอมกลิ่นทิพย์ไม่ใช่ดารดาดไม่ใช่มีแต่ดอกอย่างเดียวยังมีผลผ ล, ผลนะผลก็มีเป็นผลอ่อนผลปานกลางแล้วก็ผลหามแล้วก็ผลสุกแก็แต่ละแต่ละลูกก็สีกลิ่นรสเนี่ยนะ มีแต่กลิ่นอันเป็นทิพย์ที่เทวดานี่ยอดใสเพราะฉะนั้นบริโภคแล้วก็เป็นยาอย่างดีเลยแหละนะมันก็มีลูกห้อยอย้อยนี่นะแถบนั้ น, น, นไม่ใช่มีแต่ต้นไม้ดอกต้นนั้นต้นเดียวต้นอื่นๆก็ลักษณะเดียวกันทั่วทั้งจั ก, กรวาลพระองค์ก็ล่าสัมทัตที่นั่งด้วยหญ้ากว้างยี่สิบสี่ศอกประทับนั่งขัดสมาธิอธิษฐานทำความเพียรมีองค์สี่แล้วก็ประทับอย่างนั้น ประทับนั่งอธิษฐานสมาทานไว้เลยว่าจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกเนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปถ้าหาะองคไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ลุกแล้วเสร็จแล้วพระองค์ก็กําจัดกองกําลังมารพร้อมทั้งตัวมารนะที่มาประชุมร่วมในบริเวณนั้นประมาณ 3- าสิบโยชนหลังจากนั้นพระองค์ก็กําจัดมารเสร็จแล้วเนี่ยนะกำจัดด้วยธรรมวิธีนะไม่ได้ด้วยการฆ่าการอะไรหรอกอาศัยอ้างทานศีล เป็นต้นนั่นแหละอ้างบารมีสิบที่พระองค์บำเพ็ญมานั่นแหละนั่นแหละเป็นบารมีนั่นแหละกำจัดด้วยบารมีไม่ได้ไหมายถึงว่าไปเข้นไปฆ่าเขาพระองค์ก็ปฐมยามระลึกชาติได้มัชฌิมยามพิจารณาเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายปชีมยามพิจารณาปฏิจจสมุบบาทแล้วก็แทงตลอดอริยสัจตอนเช้าก็ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เปล่งอุทานว่าอเนกชาติสังสารังสันถาวิสังอันนี้พีสังเป็นต้นพระองค์ก็ยับยั้งอยู่ ที่บริเวณต้นโพเนี่ยนะเป็นปกติของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในเจ็ดสัปดาหสัปดาห์ที่1ที่โพที่บัลลังสัปดาห์ที่สองอนิมิสเจดีสัปดาห์ที่3ก็รัตนรัตนจงกรมสัปดาห์ที่4ก็รัตนคระเจดีสัปดาที่สี่ห้า7ก็ก็ตามสมควรว่าตรงไหนที่เห็นว่าเหมาะสมแต่ก็ไม่ไกลจากสถานที่ตรงนั้นเสวยวิมุตติสุขและพิจารณาธรรมเนี่ยนะ สัปดาห์ที่เจ็ผ่านไปเนี่ยนะพระองค์ก็ขวนขวายน้อยที่จะแสดงธรรมพรหมก็มาราตนาพระองค์ก็เห็นอุปนิสัยสมบัติของพิสุเจ็ดเจหมื่นที่บวชพร้อมกับพระองค์นะว่าเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะตรัสรู้ได้เช่นกับพระปันปัญจวัคคีนั่นเองพระองค์ก็เสด็จไปทางอากาศลงที่มิขาจิระราชจุทยานใกล้กรุงอรุณวดีราชธานี ซึ่งมีรั้วกั้นชนิดต่างๆอันหมู่มุนีเหล่านั้นเวดล้อมพระองค์ก็ประกาศทำร้าทำมจักรท่ามกลางหมู่มุนีเหล่านั้นครั้งนั้นอภิสมัยครั้งที่หนึ่งก็มีแก่ภิกษุแก่ศักดิ์เนี่ยนะจำนวนแสนโกดนะรวมทั้งพระภิกษุเหล่านั้นด้วยนะก็หมายถึงทั้งเทวดาเป็นต้น เ่าว่าต่อจากสมัยของพระวิปัสสีพุทธเจ้าก็มีพระชินะสามพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีพระองค์ผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้าไม่มีผู้เสมอไม่มีบุคคลเปรียบเทียบพระองค์ทรงย่ํายีกองทัพมารทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุดทรงประกาศพระธรรมจักรอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายเมื่อพระสิขีพุทธเจ้าจอมมุนีทรงประกาศพระธรรมจักรอภิสมัยครั้งที่หนึ่งก็มีแก่สัตว์แสนโกรธ ต่อมาอีกพระสิกขีพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดพระราชโอรสสององค์คืออภิภูราชโอรสและสัมภะวะราชโอรสพร้อมด้วยบริวารใกล้กรุงอรุณวัดีราชธานีพระองค์ก็ยังสัตว์เก้าหมื่นโกธให้ดื่มอมะตะธรรมนนะให้เขาเนี่ยสัมผัสตรัสรู้นิพพานอันนี้เป็นการตรัสรู้ครั้งใหญ่ครั้งที่สอง บอกว่าเมื่อพระสิกขีพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดแห่งคณะผู้สูงสุดในนรชนทรงแสดงธรรมะอีกอภิสมัยครั้งที่สองก็ได้มีแก่สัตว์เก้าหมื่นโกดส่วนอีกครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทำยมะกกปาฏิหารเพื่อหักรานความเมาและหักรานมานะของเดรถีเมาในความเป็นเจ้าหมูเจ้าคณะหัวหน้ามีลาบมียศเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็มานะความเย่อหยิ่งพยองลาพอง เพื่อจะปลดเปลื้องเครื่องผูกของปวงชนใกล้ประตูสุริยาวดีนครพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดอภิสมัยครั้งที่สก็มีแก่สัตว์8ปด0 0ื่นโกธดังที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อพระสิกขีพุทธเจ้าแสดงย ม, มะกกปาฏิหารในโลกพร้อมทั้งเทวโลกอภิสมัยการแตสรู้ธรรมครั้งที่สก็มีแก่สัตว์จํานวนแ 0,000 ืโกธ พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งท่ามกลางพระอระหันต์1น 0,000 ที่บวชพร้อมกับพระเจ้ารสชื่อว่าอภิภูและสัมภาวะพระองค์ก็ยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงอันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่1 น, น, นะท่ามกลางพิษุจํานวน 80,000 ที่บวชในสมาคมพระญาติแล้วก็ณกรุงอรุวะดียกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงอันนี้เป็นสาวกสันนิบาตครั้งที่สองครั้งที่1 10,000 น, น, นใช่ไหมครั้งที่28งแ0 0หมื ส่วนครั้งที่สามเนี่ยบอกว่าพระองค์ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงท่ามกลางที่สุด0 0 0 0ืที่บวชในสมัยที่พระองค์ฝึกพญาช้างธนปาลกะในธนชัยนครคล้ายๆที่พระองค์โปรดแสดงธรรมให้ช้างนาลาคิริงฟังนั่นแหละอันนี้เป็นสาวกสันนิบาตครั้งที่สามนะพระพุทธเจ้าสอนช้างได้นะอุยพระองค์ก็ต้องสอนเราได้ก็เลยบวชนะนะบวชแล้วเป็นเอหีพิกขุหมดเลยอย่างง้ ดังที่พระองค์ตรัสเล่าว่าแม้พระสิกขีพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์มีสันนิบาตประชมพระสาวกขีนาศพผู้ไร้มนทินมีจิตสงบคงที่สามครั้งประชุมภิกษุหนึ่งแสอันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สองประชุมภิกษุ8ปดห 0,000 ื่นสันนิบาตครั้งที่สองส่วนครั้งที่สามเจ็ดมื่นภิกษุสันนิบาตเหล่านั้นคือพระอรหันที่มาประชุมพร้อมกันนั้นอันโลกธรรมไม่กำทราบแล้ว หมาว่าอันโลกธรรมไม่แปดเปื้อนแล้วเหมือนดอกประทุมดอกบัวเกิดเติบโ ต, ตในน้ําน้ําก็ไม่กําซาแปดเปื้อนฉะนั้นคําว่าอนุปริตโตปทุมังวะความว่าภิกษุเหล่านั้นแม่ที่มาประชุมสันนิบาตครั้งนั้นเนี่ยนะท่านเหล่านั้นจริงอยู่ท่านเกิดในโลกแต่ว่าโลกธรรมทั้งแปก็ซึม กำซาบเข้าไปไม่ได้เหมือนปฐุมที่เกิดในน้ําโตในน้ํานั่นแลน้ําก็เสริมซาบเข้าไปไม่ได้ฉะนั้นครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ของเราเป็นพระราชาพระนามว่าอรินธรรมในปริพุท ต, ตะนะครเป็นพระราชาที่ไม่ขัดข้องในที่ไหนๆแปลว่ามีเอกราชอธิปไตยเป็นส่วนตัวแปล ว, ว่ายิ่งใหญ่มากนะปกครองแบบกสมบูรณ์อานายาสิทธิราชทุกอย่างอยู่ในกํามือหมดเหมือนกันะ เมื่อพระสิกขาสดาเสด็จถึงปริพุตตนครพระราชาพร้อมทั้งราชบริพารเสด็จออกรับเสด็จพระองค์คือพระโพธิสัตว์เน้นมีพระหาฤทัยมีพระเนตรและพระโสดอันเลื่อมใสให้เจริญแล้วก็คือไปเห็นพระพุทธเจ้าก็ยังใจให้เอิบอิ่มเห็นพระพักของเห็นพระพุทธเจ้าก็เลื่อมใสฟังธรรมแปลว่าอิ่มทั้งใจอิ่มทั้งตา เอมทั้งหูศรัทธาก็เกิดจากทวารตาทวารหูและทวารใจพระองค์พร้อมทั้งระราชบริพานถวายบังคมด้วยพระเศียรเรียกว่าก้มกราบถวายด้วยหัวว่างกันเถอะที่ยุคคนบงกฎบาทรเรียกว่าเท้าทั้งคู่ที่ปราศจากความเศร้าหมองของพระทศพลพระพุทธเจ้าผู้ทรงกำลังสิบประการานะเมื่ อ, อกรบาบถวายบังคมฟังธรรมเสร็จแล้วเนี่ยนะก็นิมนต์พระทศพลถวายมหาทาน แล้วก็ทําบุญแบบตามสมควรแก่อิสริยะความเป็นผู้มีอํานาจความเป็นใหญ่ของตัวเนี่ยนะทำบุญตามสมควรแก่สกุลตามสมควรแก่ทรัพย์และสมบัติศรัทธาพระองค์ก็โปรดให้เปิดประตูคลังผ้าก็แปลว่าเปิดโรงงานทอผ้าเปิดคลังผ้าอะไรอย่างนั้น ถวายผ้าที่มีค่ามากแด่พระภิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานถวายช้างต้นคือช้างพระที่นั่งเนี่ยนะที่ป้องกันค่าศึกได้เป็นเหมือนกับช้างเอราวัณเป็นช้างที่พร้อมด้วยกําลังรูปลักษณะและฝีเท้าประดับด้วยขายทองและมาลายงามระยับไปด้วยพัดจามรคู่นะคู่งาเนี่ยคืองาเนี่ยสวมปลอกทองใหม่งามมีหูใหญ่แล้วก็ หูใหญ่แล้วก็อ่อนหน้าก็งามระยับด้วยดวงรอยดวงจันทร์พระองค์ก็ถวายกับติยพัน์มีขนาดเท่าช้างนั่นแหละพระอะ่หลังจากที่ทำบุญกุศลเสร็จแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็พยากรพระโพธิสัตว์ว่าอีกสามสิบเอ็ดกับนักจากนี้ไปพระโพธิสัตว์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าดังที่พระองค์ตรัสเล่าว่า สมัยนั้นเราเป็นกษัตริย์นามว่าอริธรมะเลี้ยงดูพระพิษุสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มหนำสาราญเราถวายผ้าอย่างดีเป็นอันมากถวายผ้าไม่น้อยนับด้วยโกรดผืนถวายยานคือช้างที่ประดับแล้วแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราช่างกับปิยพันธ์ของที่สมควรแ ก, แก่การใช้สอยเนี่ยนะมีประมาณเท่ายานคือช้างยังจิตของเราอันมั่นคง ให้เต็มด้วยปีติในทานเป็นนิดเนี่ยนะก็คือของรักที่มีอยู่ก็ให้เป็นพุทธบูชาหมดเลยพระสิขีพุทธเจ้าผู้นำเลิศแห่งโลกแม้พระองค์นั้นก็สรงพยากรเราว่าสามสิบเอ็ดกับนับแต่นี้ท่านผู้นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เล่าอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วฝ่ายพระโพธิสัตว์เมื่อได้รับพุทธพยากร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 ปูรเมงมานสังไมหังความว่ายังจิตของเราให้เต็มด้วยปีติในทานทำให้สามารถเกิดความร่าเริงแก่เราคือมีความสุขในการให้มีความสุขในทานที่เคยให้แล้วมีความสุขในทานที่กำลังให้มีความสุขที่จะได้ให้ทานในครั้งต่อๆไปอีกก็ร่าเริงปลาปลื้มในเรื่องทานนิจจังทะลหมุปติตังจิต ของเราเนี่ยตั้งมั่นโดยทานะเจตนาว่าจะให้ทานเป็นนิสให้ทานเป็นประจำเนี่ยนะให้เป็นนิจทานหมายว่าไม่มีขณะใดที่พระพุทธเจ้าและพระภิสุสง์ไม่ใช้ปัจจัยสี่ของท่านนั้นก็มีความสุขว่านะว่าพระพุทธเจ้าและพิสุสง์ใช้ปัจจัยสี่ของพระองค์ก็มีความสุขเพราะว่าเป็นผู้ที่มีเจตนาในการให้ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าสิขีมีเพิ่มเติมว่าพระสิขีพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์มีนครชื่อว่าอารุณวดีพุทธบิดาพระเจ้าอารุณพระพุทธมารดาพระนางประพาวดีโปรงครองคารวาตวิสัยอ ย, ออยู่กี่ปีนะอ่านะครองคารวาตวิสัยอยู่เจ0 0ปีอ่านะ พระองค์มีปร า, าสาทชั้นเยี่ยมอยู่สามหลังชื่อว่าสุวัฒกะคิริและนารีวานะพระองค์มีสนมกำนันสอง0นสี่พนางล้วนประดับงดงามมีอัครมเหเสีพระนามว่าพระนางสับพกามาอรสถของพระองค์พระนามว่าอตุละพระผู้สูงสุดในนรชนเฮ น, นิมิสีก็เสด็จอภิเนศกรมออกบวช ด, ด้วยยานช้าง พระมหาวีระพระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้าสิกขีผู้นำเลิดแห่งโลกสูงสุดในนรชนอันเท้ามหาพรมาราธนาแล้วโปรงก็ประกาศพระธรรมจากณนะมิขทายวันพระสิกขีพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีอัคราสาวกชื่อว่าอภิภูและสัมภะมีพุทธอุปถากชื่อว่าเขมังกระมีอัคราสาวิกาชื่อว่าพระสิกิลา อสักคีลาและก็พระปฐุมมาโผล่พฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นบุตริกะมีอักขระอุปถาชื่อว่าสิริวัถฐและนันทอักขระอุปถายิกาชื่อว่าจิตตาและสุจิตตาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสูงเจ็ดสิบศอกเสมือนรูปปฏิมาทอง ก็เห็นพระพุทธรูปทองคําที่แต่งครบองค์งดงามฉะนั้นมีประหาบุริสลักษณะ32ประการมีรัศมีวานหนึ่งเล่นออกจากพระวรากายของพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ว่างเว้นรัศมีที่ซ่านปกติน่ยแต่ว่ารัศมีเหล่านั้นแเล่นไปในทิศน้อยทิศใหญ่ประมาณสายโยดพระชนมายุ ข, ของพระสิกขีพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นั้นเจ็ด0มื่นปีพระองค์มีพระชนยืนถึงเพียงนั้นก็ทรงยงังหมู่ชนเป็นอันมาก ให้ข้ามโอคะพระองค์ทั้งพระสาวกทรงยังททรงยังเมฆคือธรรมะให้ตกลงมาอย่างโลกมนุษ์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ชุ่มชืน้นให้ถึงความให้ถึงถิ่นอันกเกษมคือพระนิพพานเมื่อพระองค์ทำพุทธกิจเสร็จสิ้นแล้วก็ดับขันปรินิพานมหาปริศลักษณะ3 2สิบสองประการพร่างพร้อมด้วยอนุพยัญชนะทั้งนั้นก็อันตร า, าน ไปสิ้นสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้อานิจาวัตสังขารานะไม่เหลือเลยนันบทว่าอนุพยัญชนะสัมปันนางพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าประดับด้วยมหาปริศลลักษณะ32ประการพร่งพร้อมด้วยอนุพยัญชนะ80สมีพระนขาเล็บแดงพระนาศิษโดงจมูกโดงแล้วก็มีพระองคุลีกลมเป็นต้นนิ้วเนี่ยกลม ได้ยินว่าพระองค์ดับขันทัปปริณิพานพระวิหารอัสสารามศีลวตีนครนสิขีวะโลเกตปะสาชลิตวาสิขีวะเมคาขามเนนณทิตวาสิขีวะมเหสินทนะวิปะีิโนสิขีวะสันติงสุข โ, ขโตขโตโสแปลว่าพระสิขีพุทธเจ้าทรงรุ่งเรืองในโลกเหมือนดวงจันทร์ พระองค์นั้นทรงบรรลือเอาเขอไปรุ่งเรืองในโลกเหมือนดวงไฟเนี่ยนะก็คือดวงจันทร์ดวงไฟที่มันสว่างสว่างอ่ะนะชลิตตวาตปะปะซาก็คือไฟที่ทําให้สว่างสวัยพระองค์นั้นบรรลือในนาภาอากาศเหมือนนกยุงพระสิกขีพุทธเจ้าทรงละพระมเหสีพระองค์ละทรัพย์สมบัติพระองค์ถึงความสงบเนี่ยนะถึงความสงบคือพระนิพพานแล้วก็เสด็จไปดีแล้วเหมือนไฟ เหมือนอย่างว่าไฟที่ลุกโผลงไม่เชื้อเผาเยื่อให่แล้วก็ดับไปชันใดไฟคืออารยมรรคของพระองค์ก็ไฟวัด ต, ตะได้เสร็จสิ้นก็มอดดับไปสงบฉนั้นครั้งนั้นพระสิขีพุทธเจ้ามีพระบรมสารีริกธาตุเป็นแท่งเดียวโดยไม่กระจัดกระจายแต่มนุษย์ชาวชมพูทวีปก็ช่วยกันสร้างพระสถูปสาเร็จด้วยรัตนเจ็เนี่ยนะเรียกว่าของงามทั้งหลายก็มาเรียเปียงสง่า พระเจดีย์ของพระองค์นั้นงามเหมือนภูเขาหิมะดูโดดเด่นใหญ่มากเป็นภูเขาทองอางั้นครสูงสามยอดนะที่เหลือก็รายละเอียดก็เช่นกับที่กล่าวมาแล้วอันศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนาว่าสิกขีก็อันตรธานสูญหายสลายไปจากโลกเพราะว่าอย่างว่าต้นตํำรับก็สังขารไม่เที่ยงอนนะคำสอนเหล่านั้นก็ก็อย่างว่าเมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติตามคําสอนเหล่านั้นก็จะ อันตรธานไปจากโลกพูดถึงว่าของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ยังเสื่อมสูญอันตรธานไปของพระพุทธเจ้าของเรานี้ น, นะอีกนานไหมยังว่าอีกนานไหมนะชีวิตของเราก็เหลือไม่นานเนี่ยนะในโลกของคําสอนของพระพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันคนก็ไม่ค่อยรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเขาบอกว่าตรัสรู้ธรรมชาติอะไเงีง้ยนะ บ, บอกว่าธรรมชาติมันเป็นยังไงอะไรงี้น ก็เป็นปัญหาโลกแตกบอกพระพุทธเจ้าตรัสรูรร้ทรทำที่พระองค์ตรัสรู้มันคืออะไรก็กลายเป็นสิ่งที่เลื้อนเลื่อนลอย เ, เนี่ยนะมีแต่ความสับสนอมิมิมนศึกษาคําสอนก็ไม่รู้ว่าศึกษาคําของใครมันก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งสับยิ่งสนยิ่งวนยิ่งเวียนในที่สุดเนี่ยนะก็มีคนที่เข้ามาสแสวงหามาหาพูดเนี่ยนะมาเป็นพวกนอนชอนชัยอยู่ตามรากไม้คือคําสอนเป็นนก นะเป็นตัวกว่ามาทาลายคำสอนต้นไม้คือคำสอนก็เหมือนอย่างว่ากิ่งก็เริ่มเริ่มผุเริ่มพังไปเพราะว่าตัวมดตัวมแมลงแมงกระชอนเป็นต้นชอนชัยถ้าต้นไม้รากก็เน่าเสียหายไปในที่สุดก็ต้นไม้เหล่านี้ก็ผุพังไปฉันใดคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะให้ร่มให้เงาให้อะไรเลยละอย่างที่ดีแต่ถ้าหากว่าไม่มีผู้ที่เข้าใจไม่มีผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามคาสอนเหล่านั้นก็ หมดไปจากโลกอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของโลกนะสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แหละเหมือนอย่างว่าดวงอาทิตย์ตอนกลางวันใครเนอจะคิดว่ามันจะมืดมิดมืดตืดต้อในตอนกลางคืนเพราะเหมือนกับเหมือนกับว่าแสงสว่างอันนั้นอยู่อย่างนี้ตลอดไปคงเช่นนี้ตลอดไปแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็หมดไปแล้วชั้นใดพระพุทธศาสนาถึงสองสว่างในโลกนะผู้ที่มีดวงตาก็จะใช้ซอย อนุคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้ที่มีกิเลสดุจทุลีในดวงตาน้อยบุคคลเหล่านั้นได้ศึกษาแล้วได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ประพฤติปฏิบัติตามก็สามารถทําที่สุดแห่งทุก์ได้มันขอให้าศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประดิษฐสถานอยู่ในโลกนี้อนุส่องแสงสว่างแห่งความรู้ให้เกิดขึ้นในดวงใจของเราทั้งหลายขอให้พวกเราทั้งหลายได้ตรัสรู้อริยสัจธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พ้นจากความมืดมิดมืดมนด้วยวิชาทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้